มกราคม 2532 แต่เป็นเรื่องราวของวันที่ 4 มกราคม 2532 เมื่อ 4 มกราคมเดินทางกลับมาถึง 3 พอ อันนี้เวลาวาระนั้น 4 บรรดาแต่ผู้ทวารสัตว์ให้การปวดท้องก็ยังมีมากตามปกติเวลานั้นเป็นเวลาประมาณ 22:00 พอไปซอยสายลมมา 3-4 เท่าพอต้องลังเครียด ก็ลุกไม่ขึ้นเหมือนกันมันดูแต่พระอสัจฉิที่เป็น จึงได้กราบไปตามองค์มาสมเด็จพระอมรศาสนดาเสด็จมาท่าน องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาชินะมีพุทธิกติกาถือว่าอสัจฉิคือระงับกายสังขรระงับกายสังขารไม่อยู่หรือนั่นจะหมายความว่าใช่อานาปานุสติ จึงกราบเรียนองค์สมเด็จพระประมุขว่าปันตีภิกขว่ะข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าค่ะความดีที่ข้าพเจ้าได้มาแล้วคงจะสลายตัวไปแล้วองค์สมเด็จพระอาทิปเจ้าจึงถามว่าอสัจฉิเธอเห็นเธอถือว่าร่างกายเป็นของเธอหรือ รวมความว่าถ้าอสัจฉิอย่างที่ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ของเรา ขึ้นที่ว่าขันติมันก็จะทนได้แค่จะพอทนไว้ถ้าเกินกําลังมาเมื่อไหร่อาตมาก็ <c oughs> ไอ้ใครเป็นอรหันเวลานั้นจะใช้กําลังใจสูงมากมีความฉลาดมากมีความอดทนมากมีความเข้มแข็งมากอาตมาเองไม่ ถ้าทนไม่ได้มาอะไรก็นอนคนเดียวเมื่อนั้นเอาละบรรดาท่านผู้พุทธศาสน์รายการนี้เป็นรายการธรรมะธรรมะของบรรดาท่านผู้พุทธศาสน์ให้มีความเข้าใจในร่างกายเป็นสําคัญมีประสนาญาณทุกข้อก็ ก็ว่าขึ้นไปติดเอา ที่ความตายจะเข้ามาถึงก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาของร่างกายมันต้องตายแล้วก็พยายามหนีร่างกาย เมื่อมันปวดท้องหนักๆก็คิดมากเกือบจะทนไม่ไหวเวลานั้นก็นอนอยู่คนเดียวตามปกติ จึงรวบรวมกำลังใจ <c oughs> กำลังใจถึงที่สุดเท่าที่พึงทําได้ฉะนั้นสังขารรูปเถคายานนี้มีหลายระดับธรรมดาจนพุทธบริสุทธิ์ <c oughs> ไม่มีนิพพานเข้ามาแทรกอารมณ์เป็นสุขก็อาศัยอานาปานุสติเป็นพื้น สิ่งบรรดาผลใดก็มีมากที่นั่งที่น้อยก็ดีกว่าพอไปถึงดินแดน ท่านมาถึงได้ประกาศตัวว่าท่านเป็นพ่อชาตินั้นแม่ชาติ ปัญจับยังกําลังใจไว้ก่อนสถานที่นี้ พยายามรักษาใช้ยาปกติที่มีอยู่ที่หมอให้ <Yeah. S 1> <c oughs> ก็ตั้งใจคิดว่าพอดีคําองค์อุปสรรคที่บรรดาพระพุทธบริษัตรทั้ง <c oughs> ในการประกอบๆก็ต้องคิดถึงอุปสรรคก่อน 70 ปีอายุเนี่ยขอ <c oughs> พลิกทางขวาเธอก็ขวางเดินตรงเธอก็ขวางเธอถามเธอว่าเธอจองวิงจองกรรมอะไรกับฉันทําไมยังขวางทางเดินของฉันที่ฉันจะไปหาลุงถ้า ก็เธอตอบว่าตามฉันมาได้ว่าเธอต้องการอะไรเธอตอบว่าตามฉันมาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอก็ เอาไอ้เดินยอดเข้าประชุมนี่ ท่านก็ตอบว่าเป็นหญิงคนหนึ่งที่มีคนเข้าถามคนที่ซอย มีคนนี้เคยสร้างพบรูปถวายในพุทธศาสนาแต่ความจริงบุญของเธอ จิตใจของเธอจริงๆจับโจ๋ที่พาไตรกับพระตลกจึงหันมาถามเธอว่ามีความเพียงเป็นอย่างนั้นไหมเธอก็ตอบว่าเป็นความจริงถามเธอว่าบ้านอยู่ที่ไหนเธอก็ยิ้มๆเธอก็บอกว่าเวลาที่เขาก็ถามปัญหาก็บอก นางฟ้าก็ดีเทวดาก็ดีพระองค์ก็ดี <c oughs> เวลานั้นจิตใจของเธอไม่ได้นึกอะไรมากนึกบ้างเว <c oughs> 4 <c oughs> เขาเคยได้ไว้สังฆทานที่เป็นอาหารก็เยอะภาพทั้งหมดก็ปรากฏกับเธอในเวลานั้นก็ปรากฏมีภาพแมวกับภาพ ทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายมันก็สลายตัวไปเพราะจิตไม่เกาะจิตไปเกาะภาพพระพุทธรูปบ้างจิตไปเกาะภาพการถวายทาน ทรงเจรโปรดน่ารักกําลังสวยดินที่ปากแดงผิวขาวค่อนกลเหลืองรูปร่างรัศมีโปร่งสวยมากจิตใจเธอก็ ว่าขอให้ไปสวรรค์ด้วยกันเถอะฉันอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ว่าเท่าที่ปรากฏ มีร่างกายสดใสเป็นนางฟ้าสวยสดงามแผ่วพราวระยับสวยมากเมื่อถามว่าเท่าที่บอกให้มาให้ตามมานี่ต้องการจะ เห็นภาพชัดๆแค่รูปทรูปกับกับผ้าไตร ที่ถวายท่านท่านแบ่งไว้เป็น 2 อย่างคือท่านไปใช้ แสดงว่าบุญยอดเป็นแก้วพื้นเค้าไม่ม่านเป็นทองคําสวยสดบ้างสังฆทานบ้าง อเมวิหารทาน <c oughs> ความสนใจในตัวใครของมนุษย์สนใจน้อยไปถ้าเข้าไปบ้าง 11 บ้างเองเป็นต้นฉันก็พอเธอมีอะไร เล่มนี้เป็น การเกิดมานั้นเด็กก็รู้จริงว่าจะไม่ 2 สิ่งก็รักษาบ้างตอนเด็กๆ แม้ใส่บาตรก็ใส่บาตรบ้างทั้งๆๆนี้ไม่รู้เรื่อง แสงก็ทานแห้งก็ชอบที่ชอบมากที่สุด 9 นิ้วเพราะ 9 กัน อะไรๆแต่ความจริงเลขเก่ามันไม่มีความหมายไม่มีความหมายเด่นไปกว่านั้นอะไร แต่ความจริงก้าวหน้ากับหลังเนี่ยมันไปไม่ไกลก้าวหน้าไป 1 แต คิดว่าทางการให้จะมีในเราจะนี้อย่างนึงเวลา จิตใจในภาวะปฏิกูลมากฉะนั้นเวลาจะตายภาวะปฏิกูลจึงปรากฏแต่ในที่สุดมี ก็รวมความว่าเมื่อเธอไม่บอกก็ไม่รู้รู้ก็ไม่พูดถ้าเธอไม่บอกเวลานี้เพชรแสดงว่าเธอเธอปกปิดชื่อของเธอเพชรก็บอกว่าใช่ฉันปกปิดชื่อของฉันเพราะชื่อของฉันเนี่ยคนรักก็มีคนเกลียดก็มีถ้าท่านไปพูดว่าฉันมีความสุขคนที่เกลียดฉันเขาก็ คำด่าคำสาดแส้งมันไม่ถึงฉันไม่ถึงเขาจิตใจ د๊ lados ออาว ора ว่า thon t p a n p a n p a n p a n a s tu k a t o n p a n p a y a t h pause ตาอาวว่ายัง กามลังบรรมิยังอ่อนอยppe y u y a n y a p a a n y alli y u y a n b a n y u ยังจะไปมีพันธ์lledจนไม้ได้ ทั้งนี้เว้นวิตว่าทัตย์ว่าparents essen หาอยู่มันสวัรรธ เวลาตั้งใจพcollวิ่งความ Đi p a n por พอร์ energy frightenedApp p a n p a n แต่คิดว่าไรก็ดีถ้าเธอทําความดี สารถือเหลือการชีไม่ถือตัวคุณธรรมสิไพการนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจักเป็นปัจจัยทั้งหลายมีความสุขกับความรักกันถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมด